สทิฏฐิสังยุตหนึ่งโสตาปฏิวักหมวดว่าด้วยโสดาปฏิมักหนึ่งวาตสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้นสองอหสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไร เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ําไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก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 ภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะถือมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัด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 แม่น้ำไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขา้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิท่ิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก ข, กข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น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 ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดสาระเนียดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์และความสงสัยแม้เหตุเกิดแห่งทุกข์ละความสงสัยแม้ในความดับทุกข์ ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุก์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าวาตาสูตรที่หนึ่งจบสอง เอตังมะมะสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่านั่นเป็นของเราสองเเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา เมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็น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 นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิษุธทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตา ม, มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเอตังมะมะสูตรที่สองจบสามโสอัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันสองร้อยแปด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 ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะถือมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าอัตตามีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขาร เมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าอาตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจกเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นหรือว่าอัตตามีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ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 เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้พึงเกิดขึ้นบ้างว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกและความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าโซอัตสูตรที่สามจบ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 ถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า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 ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตไม่มีสมณพรามผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้ และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุรุษคือประชุมแห่งมหาภูต ร, รูปทั้งสี่เมื่อตายไปธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมผันแปรไปในอากาศสาตว์บุรุษทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้านำศพไปรอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูขาวโพลนสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าฐานคนเขลาบัญญัติฐานน้ไวคำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผล น, นั้นว่างเปล่าเ ท, ท็จไรสาระหลังจากตายไป ไม่ว่าเป็นคนขา้าวและคนฉลาดย่อมขาดศูนไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลหลังจากตายไปไม่ว่าคนข่าวและคนฉลาดย่อมขาดศูญไม่เกิดอีกเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลหลังจากตายไปไม่ว่าคนเลควและคนฉลาดย่อมขาดศูญไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลหลังจากตายไปไม่ว่าคนเขาและคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ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 ถึงแสวงหาใรกล้ครวนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา่าเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลคำที่คนบางพวกย้าว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเทธไรสาระ หลังจากตายไปไม่ว่าคนเลควและคนฉลาดย่อมขาดศูนยไม่เกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้านัดทิทินัสูตรที่ห้าจบหกกรโรโตสูตรว่าด้วยทิทิ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 ใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบาก <at> ดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์รักย์ตัดช่องย่องเบาปล้นทำโจรกรรมในบ้านหลังเดียว ดักส้มที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทําเช่นนั้นไม่จัดว่าทําบาปแม้หากบุคคลจะใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารสัตว์ในปัตตพีนี้ให้เป็นลานตากเนื้อให้เป็นกองเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคล จะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ําคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ําคงคาให้เอง ใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินเรีย์จากการสํารวมจากการพูดคำสัตว์ไม่มีบุญมาถึงเขาภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิสษุน์ทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าเมื่อบุคคลทําเองใช้ให้ผู้อื่นทําย่อมไม่มีบุญไม่มีบุญมาถึงเขาเมื่อมีเวทนา เมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำย่อมไม่มีบุญไม่มีบุญมาถึงเขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 แม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหาใกล้ครนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าบุคคลทําเองใช้ให้ผู้อื่นทําย่อมไม่มีบุญไม่มีบุญมาถึงเขาไม่ใช่อย่างนั้น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 มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ากโรโตสูตรที่หกจบ 7. เจดเฮตุสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าไม่มีเหตุเป็นต้นสองร้อยสิบสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าความเศร้าหมองขอ ง, ททงสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ส, สัตว์ ท, ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของบุรุษไม่มีความพยายามของบุรุษสัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตา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 เพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหเท่านั้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าไม่มีเหตุ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 สเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าขา่าแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหาใกล้ครุนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค้าเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสเสรยสุขละทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกลากความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงลากความสงสัยแม้ในทุกข์ลากความสงสัยแม้ในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้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 ยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดไม่วันไหวไม่แปรผันไม่กระทบไม่กระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือหนึ่งกองแห่งธาตุดิน 2. กองแห่งธาตุน้ำสา กองแห่งธาตุไฟสกองแห่งธาตุลมหกองสุข6กองทุกเจ็กองชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดสาระเนียด ไม่หวั่นไหวไม่แปรผันไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันใครก็ตามแม้จะเอาสัตราคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าใครปรงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงสัตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่ง กมเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสี่แสนหกมืนหกร้อยก ร, รัมห้าร้อยก ร, รัมห้ากรัมสามกรัมกึ่งปฏิปทา62อันตรกรับ62อภิชาตหกปุริสภูมิแปดอาชิวะกะสี่พันก้าร้อยปริพาชก 4,900 หนาขวาด 4,900 อินทรีย 2,000 นรก 3,000 ระโชทาติ36สัญญีคัน7อสัญญีคัน7นิคันทีคัน8เทวดา7มนุษย์7 ปีศาตเจ็ดสระเจ็ดตาไม้ไผ่เจ็ดตาไม้ไผ่เจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากับแปดหมืนสี่พันเหล่านี้ที่คนพาและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้ว จากทำที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจะเป็นให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจันน้ไม่มีสุขทุกที่ทำให้สิ้นสุดลงได้เหมือนตวงด้วยทนาน สงสารที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่ำพวกคนพาและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วสเสวยสุขละทุกเองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปย่อมคลี่หมดไปเองฉะนนั้นภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า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 เมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลเสวยสุขและทุกข์เองภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้พึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลเสวยสุขและทุกข์เองไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ไม่เตียงพระพุทธเจ้าค่าเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลสวยสุขและทุกข์เองไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกขได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสา ว, วกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ามหาทิฏฐิสูตรที่8ปจบ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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุ์ทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะถือมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณ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 ในวันข้างหน้า ส, สาธิตทิสูตรที่เก้าจบสิบอาสัสทิติสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่เทียงสองร้อยสิบห้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขาร เมื่อมีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าโลกไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหา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 ออันตวาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดร้อยสิบกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าพิกษุททั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกมีที่สุด ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอันตวาสูตรที่11จบ 12. อันนันตวาสูตร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 ว่าชีวกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าพิษุท์ทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันพิษุท์ทั้งหลายทูลตอบว่า ค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าตังชีวังตังสรีรังสูตรที่13จบ14อัญชางชีวังอัญชางสรีรังสูตร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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าโหติตถาคโตสูตรที่15จบ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 17. โหติจจนะจะโหติตถาคโตสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตะถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกสองยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุททั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไร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 ทิฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าหลังจากตายแล้วตถาคตว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงแสวงหาใกล้ครวนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง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 ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกละความสงสัยแม้ในเหตุเกิดแห่งทุกละความสงสัยแม้ในความดับแห่งทุกขละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลาย